ฟังทาบกัน <c oughs> อำาดับลำลำในการใำงานของเราขิดเช่นทางเอาไว้เมื่ดูทำนาตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนาเอาเข้ามาก็เข้าบาก เดินไปนาเดินเข้าบ้านเดินไปนาเดินเข้าบ้านนาเราแปลงใหญ่ก็ทำสำเร็จได้จะให้ไปเส้นอื่นทางอื่นถ้าไม่ฉีดเช้นไว้ก็ไปอันอื่นไปทางอื่นทิ้งงานทิ้งการงานก็ไม่สำเร็จงานข้างๆ้าง เราก็กำลังทำงานกรรมฐานทถิดเช่นเอาไว้เช่นกันให้เห็นกายเห็นจิตใจมีสติเดิอนอยู่ตรงนี้ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้จ่าทิ่นี้ให้บันชมินิชํนนาญ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจให้เห็นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาอย่าให้จนให้อดประหยัดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ ม, ม, มีให้เห็นหมดทุกอย่างจนคุดหูคุดตา เรื nicht, ่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราอะไรอะไรก็เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไวแล้วเป็นอดีตไปแล้วเราก็ดูอยู่เป็นหลักปัจจุบันมันเกิดขึ้นมาเห็นแล้วอันเก่าบางสิ่งก็น่าเบื่อหน่อย บางสิ่งก็ได้สติปัญญาได้ความรู้ได้ประสบการณ์ถ้าจะนับดูก็แปด0มื่นสี่พัอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราตามพุทธเจ้าได้แสดงทรงแสดงเอาไว้แล้วก็เห็นตามแผนที่ ประสบการณ์มาลานเล้กเกินเรื่องนี้ค่อนชีวิตไปแล้วชีวิตเสียไปไม่ได้เห็นเรื่องนี้มีแต่เข้าไปเอาปัญหาเกือบสามสิบปีปมาเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่สามสิบปีมาง่งมันก็มันก็ ไม่ไม่พลาดก็ว่าได้อาจเป็นความการทำงานก็ไม่อดไม่อยากไม่ทุกไม่ยากแต่ก่อนมันทุกมันยากมันอดมันยากปฏิบัติมันไม่ทุกมันไม่ยากมันไม่อดมันไม่อยากอะไรอะไรก็ ประสบการมาแล้วเห็นมาแล้วไม่เป็นามันมาแล้วว่าไม่เป็นขึ้นมนอิ่มตัวความอิ่มความเต็มไม่หูไม่บกพร่องแต่ก่อนบกทรบกพร่องอยู่เป็นนิด เป็นธาตุของความอยากไม่รู้จักอิม่มเราจงมาทำงานนี้จนไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากอิ่มตัวแล้วก็เห็นเห็น สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันคืออะไรให้ดูกันตรงนี้พวกเราให้พิเชตซะวันงานนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วก่อนพุทธศกสี่สห้าปี จะว่ากรรมฐานวิปัชนากรรมฐานส่วนสมถกรรมฐานเกิดมาก่อนหลายพันปีเหมือนกันเกิดก่อนวิปัชนากรรมฐานสังเกตได้จากครูทั้งหกที่มีก่อนพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตัดสู้ออกจากครูทั้งหกก็มีอาจารย์พิเศษพิเศษ Respe เช่อนอุโเวลากัจจปะไม่ใช่เช่นเช่นอะอะไรฮะฮะอาจารย์ทั้งสองคนแรกของพระพุทธเจ้าคือใครอ่านพิเศษอาจารย์พิเศษ แต่ก็ออกจากภูทัองหกสนใสเวลาตะทันอาธิกกกรพนกุกุกกะกเจจนะอาจารย์ทิศสาปาโมตอะไรหกค น, นดังก่อนพุทธเจ้า เรียกว่าฝึกส ม, มถะกันอาจารย์ทั้งสองก็สนที่ไปศึกษาครั้งแรกองค์ที่หนึ่งได้ฌานสมบัติเ็ด น, น่นองค์ที่สองได้ฌานสมบัติแปดจบยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะแสดงว่าส ม, มถะเกิดมาก่อนแล้ว ได้มาศึกษาวิปัสนากรรมฐานถาเอากายเอาใจนี้ศึกษามันจะเกิอะไรเกิดขึ้นได้เห็นมีสติเป็นตัวศึกษาในกายใจเป็นตาลาเนี่ยเราก็มีเดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่นี้ก็มีมีกายมีใจเหมือนกันสามลักษณะ เหมือนกับปัจจิตตถานี้ชติก็อันเดียวกันการคู่แ ข, น, ขนเข้าการเหยียดแขนออกไม่สติอันเดียวกันลักษณะอันเดียวกันเหมือ <c oughs> น, นกันหมดอาลบทนั่งก็อันเดียวกันอาลบทยืนเดินนอนก็อนเดียวกันวามหลงอยู่ในที่ไหนก็อนเดียวกัน ความทุกเกี่ยวกับใครอันเดียวกันความโกรธความโลภกิเลสตัณหาเกภัยอันเดียวกันม่แต่มีสติเห็นเน่ไม่ต้องไปเปิดไ ป, มไ ป, ไ ป, ไปหปมุนไปไปค้นหาปกงุนหาดูตรงเดียวมันจะเห็นที่มันแสดงออกมาอันเกิดแต่ไรต่างๆเกิดจากกายจา ก, จากใจ เราศึกษาตรงนี้กันจนชำนาญเห็นหลงหล ง, ลงได้ทาแล้วเห็นหลงเป็นลูกแล้วเหมือนกับว่าเอาหลงออกไม่หลงเปิดขึ้นมีลูกไปแทนที่เหมือนมีหญ้าในแปลงนาในไร่เปลี่ยนหญ้าลงแล้วพิกลงแล้วเอาคาดเอาไถพิกลงไปแล้ว โฮมเม็ดพืชปลุกลงไปแล้วแทนป่าหญ้ากลายเป็นป่าข้าวป่าเผือกป่ามันป่าอ้อยได้ประโยชน์เป็นเออเป็นทรัพย์กินได้หญ้ามันกินไม่ได้แต่มันพลิกลงไปมันเป็นปุ๋ยท้อให้ เกิดงอกเกิดพืชที่เราปลูกงอกงามขึ้นมาความรู้มาเจองอกงามเพราะความหลงแต่ความควมหลงครอบงำความรู้เกิดขึ้นมาได้มันไปแทนที่ทําเสร็จแล้วความโกรธเกิดขึ้นมีพิกลงไปมีสติแทนตรงนั้นแล้วก็ทําแบบนี้ระหว่างงาน หลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธสุขเป็นสุขพอใจไม่พอใจเป็นพอใจเป็นไม่พอใจที่ว่าไม่ได้ปลูกได้ฝังมันก็ยังลกหลงหลอกมาทำอันนี้กันการทํางานอนันนี้ไม่เหมือนกับทํานาทำไรอาบแดดอาบฝน อ๋อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมีเครื่องมือเต็มไปแล้วในชีวิตเรามีก็มีเหมือนศรัทธามีความเชื่อว่าทำดีมัก็ดีทำชั่วมก็ชั่วเหมือนเนื้อหนามีหนาแล้วมีความเพียรใจใจที่จะลู้อยู่เสมอประกอบมันขึ้นมาสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบ มันใช่คิดรู้กอนคู่แขนเข้ า, ร, า, ารู้สึกประกอบแบบนี้กอนเหยียดแันอกรู้สึกประกอบแบบนี้เดินไปข้างหน้ารู้สึกเหมือนคิดไปที่ไม่ตั้งใจรู้สึกมันชุกมันทุกรู้สึกประกอบแบเนี้อยากให้มันเกิดผีๆได้มันเกิดได้เพราะมันผิดมันจึงเกิดถูกขึ้นมา ขู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเราก็ง่ายอันหลงก็ไม่ได้หลงอยู่กับการนั่งคู่แขนเข้ากันเหยียดแขนออกมันมาได้ทุกแบบความหลงตาเห็นรูปก็หลงได้หูเห็นเสียงก็หลงได้จะมูกได้กินลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดก็หลงได้เราจะรู้วันทุกกรณีที่มันหลง ถ้าเราหัดผููไปก่อนถ้ามันมีก่อนมีหลักก่อนหรือว่ ก, กรรมที่ตั้งไว้ก่อนฐานคือการทําที่ตั้งไว้ก่อนงั้นเราไปอ่านหนังสือเขียหนังสือกอไกอยู่กระดานตาต้องดูมือต้องหัดขีดเขียนหัดซะก่อนต้าเขียนกอไก่ต้องดูกระดาน จนเลนก็ดูกระดานจนจนมันเห็นบ่อยๆมันก็ติดบ่อยๆเขียนบ่อยๆก็เป็นบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนไปดูกระดานอ่านออกเขียนได้รู้ความหมายนี่ถ้าเรามีสติมันก็เห็นแล้วไปอยู่ไหนก็อ่านได้ไม่ชนอ่านอ่านได้คือรู้แล้ว เห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วอ่านได้แล้วเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นวันสุขไม่เป็นผู้สุขอ่านได้เห็นวันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์อ่านได้แล้วเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็เป็นอย่างนี้จนเห็นมัน มันเจ One One. Iping, ็บมันตายมันเจอในความเจ็บมันเจอในความสุขมันเจอในความทุกมันเจ็บในความเจ็บมันเจ็บในความเจ็มันเจ็บในความทุกมันตายในความสุขมันตายในความทุกมันตายในความรักมันตายในความชังความเจ็บทํำไมเจ็บความเจอะทำไมเจอความทุกทำไมทุกทุกเพราะความทุกแกเพราะความแก่เจ็บเพราะความเจ็บ ล้นก็มันก็โลกเราจึงเห็นเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขไม่ได้สุขความสุขเราเยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงไหนวันทุกเป็นวันทุกไม่เป็นผู้ทุกไม่แก่ไม่เก็บพรไม่ได้ตายผู้ความทุกข์เอาจริงๆ่าไปเจอแล้วนั่นเข้าจริง แล้วก็มีอย่างนี้ถูกความทุกข์่างเอาแล้วถูกความแก่ความเจ็บความตายครบงามันจังมาจึงรู้ได้เหมือนเราอ่านหนังสือได้เดี๋ยวหนังสือได้จะอาไปแช่ได้ตลอดชีวิตอยู่ที่ไหนก็อ่านได้ถ้าเป็นภาษาไทยเอเลียนภาษาอังกฤษก็รู้ภาษาอังกฤษแต่ไม่เรียนก็ไม่รู้ เป็นภาษาบัญญัติแต่ภาษาความเกิดเจ็บเจ็บตายไม่มีบัญญัตนนนินั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นที่มันเป็นของเท็ของจริงมาตั้งแต่วันเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เจ็บไม่เจ็บ ม, มตายมาพร้อมกันไม่ไม่ใช่ใชไปเรียนเป็นภาษาสมมติ มันเป็นประมติเอาให้มันจบไปซะการเรียนจบคือหนือการเกิดเจ็เจ็บตายการเรียนจบคือเหนือทุกข์จังสุขไม่เป็นสุกทุกข์ไม่เป็นทุกข์ถ้าอย่างสุขเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์ หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธจะต้องมีเกะมีเก็บ ม, มีตายแน่นอนเริ่มต้นจากตัวนี้กัน <c oughs> จากกรรมฐานไม่ต้องไปเรียนที่ไหนประเทศใดมันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยในกายอันป่วนศอกออย า, อาววานหนาคืบมี สัญญามีสุขไปทุกข์เป็นเนี่ยนั่นแหละได้ได้ห้องเรียนจึงให้มีเวลาเรียนให้เพียงพอถ้าเรียนไม่ทันแล้วก็แล้วก็จเป็นคนปึกคุนหาถ้าหลงเป็นหลงปึกหนาสาโหดเทียกว่าปุถุชน ทุก็นทุก ป, ปึกยังอ่านไม่ออกสุก็นสุกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังอ่านไม่ออกจัโกวันคนอ่านน้งสือไม่ได้ตัวน้มกินก็ไม่ได้ถ้าไปต่างประเทศนั่งเครื่องบินหิวดำ เอาโอข้าวมาให้ก็ไม่กินเอาขนมอะไรมาน้ำชากาแฟมาให้กินก็ไม่กินอยากได้น้ำเปล่าจะว่าจะไงดีไม่เห็นเอาน้ำเปล่ามาอาจารย์พปฌานไปไม่กลับไม่กลับด้วยกัน ปกติขึ้นเครื่องบินจากเกาหลีมาเมงไทยแต่ว่ายังไงเนาะเห็นไหมก็อ่านไม่ออกคิดไปคิดว่าก็เคยได้ยินเคยใช่ไหมมอเตอร์มอเตอร์ <c oughs> ใช่ไหมคุณบิมอเตอร์ น้ำเดิตาไปพามาพล้มาเอยเยเอเยน้ำน้ำเย็นเยเจน้ำเปล่าเอเยเอเยาถึงน้ำเย็นใส่น้ำน้ใน้ำแข็งมาให้แล้วแต่เราจะให้เอาน้ำใส่ใส่หมอ ต้งหัวมันไม่แก้วไม่ฝาปิดเอเยเอเยกไปยืนอยู่บนหน้าตารถเอเย่จะเป็นน้าแข็งเอเจเอเจเอเจเอเยเอเจทั่วไปรถจอดที่ไหนแล้วก็มันตืนอยู่นหน้าต่างแล้วก็เปิดฝาออกเอาแก้วตัดน้ำชินจ๊นดจนอิ่มฉันเอก็เอายา ยติก็ได้โดยทิ้เสให้มันได้กินเสียงเล็กมันก็ไปเลยกี่ตังขีบาทมันไปว่าให้เหมือนแก้วละสองบาทแก้วละสองบาทน้ำลำไยแก้วละสองบาทต้ามลำไยแก้วละสองบาทเมืองไทยแต่พม่าไม่มีเอเยเอเจทิ้งเลกๆเสร็จเราก็ไปเลยไม่ดูญีตยัดกี่ยัก็แล้วแต่ เฉละบัดไตบอ๊อบลบัดรไปเอาน้าเยี่ยวแม่หมงหนดนอนบ่าเอาจนไว้ก่อนเคยได้ยินอยู่ฉลปลีรถไปจอดที่นั่นตอนอิสานม้านเราแฉลบัดรไตบอ๊อบลบัดรเอาน้าเยี่ยวแม่มงหง <laughs> <laughs> อันนี้สมมติบรรยัติเราอ่านไม่ได้เจียงโกรธ จึงทุกข์จึงหลงจึงแก่ั้งเก็บเังตายอ่านไม่ออกถ้าอ่านออกมันก็ไม่มีผ่านได้ตลอดแต่ว่าผ่านปะติญญาจำนานจาตะปัญญาดูแล้วไม่มีอะไรไม่รู้สิ่งที่เกิดก็กลายกับใจถ้ามันมาเป็นดุ่นเป็นก้อน มีเหตุไม right, ่ปัจจัยทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการรู้ทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการวันเทาทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการแเกะแฉงทุกบางอย่างทําให้ละเลยไปอันทำอันอื่นไม่ได้อย่าตะเป็นยากู้เลยติอคณะปัญญาแเกะแฉงออก เห็นปอจจสมุปบาทเพราะเรื่องนี้จึงมีเรื่องนี้แก่แกงออกทุกบางอย่างรับโดดทุกบางอยางางาปป่างเรยวาปะหานะปริญญาทำให้หมดไปทันทีหมดไปทันทีหมดไปทันทีทนทเรียก ว, ว่าปริญญาในชีวิต เหมือนปริญญาสวนโมกตายก่อนตายหรือว่าปริญญาสวนโมกชายาจังหวัดสุราชฎธานีตายก่อนตายหรือว่าปริญญาที่สวนโมกใช่ไหมไม่คิดว่าอวไรไปเรียนตายก่อนตายแล้วที่นั่นจบที่นั่นแล้วจบสวนโมกแล้วอาจารย์พุทธทาสเป็นครูตังกล้องฟ้า พราะสมไทยมีรูปเดียวเท่านั้นการตายก่อนตายก็เลยปหารปรญยาทาให้หมดแล้วไม่มีเชื่อแล้วไม่มีเชื่อแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็เขียนมาให้ดูแล้ว ประตูทมไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรไม่มีแล้วแล้วก็นี่แหละแหล่ ง, ลงศึกษาชีวิตวเรานี่งานสำเร็จทำนาแปลงใหญ่ไปนาทุกวันกลับบ้านไปนากลับบ้านอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาไปก็ไปทำ มีการกระทำเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นนาเป็นนั่งอยู่นอนอยู่มันไม่สาเร็จมีกายก็รู้กายไปมีความรู้เต็มกายไปมีความคิดจิตใจก็รู้ไปมีความรู้เต็มพื้นที่มีแต่ต้นเข้าแต่ก่อนมีแต่ต้นยะมีความหลงมีความสุขมีความทุกข์มีความรักความชังกิเลสปัญหาตัณหาร8อยแปดมันลุก โอ้ปลูกสติลงไปมันไปแทนท่วมโลกอันที่ไม่มีประโยชน์นั่นกลายเป็นหมักเป็นผลได้หมักได้ผลจากนาแปลงนี้ได้กินแล้วไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไม่ตายแต่ไม่เหมือนข้าวข้าวกินแล้วยังแก่ยังเก็บ ย, ย, ยังตายอยู่ เราก็มีพิมแล้วมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติม่พานสมบัติเรียกว่าภาษาปรมัณลด้วจิตเจรุนิจิตเจรุนิลูนิภาษาปรมติมีสี่ตัวเท่าไหร่จิตเจรุนิจิตก็คือจิต มันมีเจก็คือเจะสิกมันคิดเป็นมันรู้อะไรได้ดนมันรู้หนาวมันรู้เหี่ยวมันรู้สุกมันรู้ทุกข์มันรู้อันนี้สุขอันนี้ทุกข์มันรู้รู้นี้รู้รู้จิตเจรู้นี้นี้คือนิพพานจุดหมายาปลายทางของปรมัติสภาวะธรรม ถ้าไม่มีจิตไม่มีรูปไม่มีเศรษฐกมันก็ไม่มีนิพพานมันดับมันไม่มีนิพพานคือมันเย็นแล้วในชีวิตของเราเนี่ยนิพพานคือมันเย็นตรงนี้นมันหมดตรงนี้น ทุกขั้าอย่างกาหนดรู้ด้วยการรู้แล้วทุกขั้นอย่างวันเท่าทุกขั้นอย่างละได้หมดทุกของอริยสัจจังตัณฑ์ปะตัณฑ์เมพิเวเมพิเวสัจเตสุอริสัจเตสุจากคุกุฏปะติญาณังปะติวิชาปะติอารมโขปะติทุกของอริยสัจจัง ยาตันติเมติพิกเวจุตเตสุสัตเตสุอริสัตเตสุจักโคกุทปปาติจ่ายายาอันนึ่งยานรู้แล้วอนนึ่งตันติคือกำลดงโลแล้วอันน่งปาปหาดับปัตตันตะเมพิกเวปาหานแล้วทำให้หมดไปแล้ว ทุกข์ก็หมรดรู้ทุกข์บร ท, ทุกทุกละไปสัตวนไงไม่มีที่ทำมาได้ทุกอะไรที่มันเกิดขึ้นทุกกําหมรดรู้สังขารหายใจเข้าหายใจออกรู้แล้วรู้มันหมดแล้วทุกอะไรที่มันกํำลัดด้วยการรู้ละไม่ได้ไม่หายใจไม่ได้ ไม่เกินน้ำลายไม่ได้ไม่พิบตามไม่ได้ลกูกหมดไม่เอามาเป็นทุกข์ทุกข์ตรนี้กำหนดลู่เท่านั้นไม่เกี่ยวกับวันอื่นให้เอาเหตุเอาผลให้ทุกข์จากนี้มาเป็นทุกข์ทำไมจนทำไมไม่มีตูวแล้วเห็นแล้วแล้วก็เห็นผ่านหน้าผ่านตาเลยอยู่ ปุ๊กวิธีก็ได้ถ้าเรามีสติถ้ามีสติมันก็ฟรีไปแล้วความหลงเอาไปฟรีความทุกข์ความสุขเอาไปฟรีความรักความเกลียดชังเอาไปฟรีไปแล้วมันก็มีเชื่อเหมือนอยู่ป่องมา ก, กัดเราเวลามันกัดเราไม่รู้มันเอาไปแล้วเอาเชื่อมาใสแล้วแล้วก็เป็นไข้มาเรียไป ไม่มีตาไม่มีบินอย่างนั้นกายวิญญาณไม่มีไม่รู้บางทียุงประเภทนี้มันมียาชาไอ้เราจะเก็บเหมือนทากทากปันกัดมันมียาชาก่อนที่มันจะดูดเลือดนันปอยยาชาเข้าไปอากบ่ลู้จะเก็บจากตัวเล็กเด็กเท่าเช่นยาเนี่ย มันกัดแล้วมันดูจุดนัานจนตัวใหญ่เท่าแม่มือเดี่ยมันพองขึ้นมาไม่ลู้จะเก็บเลยจนอาบน้ำล่างไปล่างมาเห็นอะไรมนมันขุดๆอยู่นเนี้ยมันไปจับตัวเป็นทา่าแตม่มันไม่เชื่อเท่าไหร่ได้เบิรนอยู่ก้นปกมันวิญญาณจึงดี มันเจ็บเป็นอยู่กมันเจ็บ่ดีแล้วจะได้ไล่มันหิวเป็นมันก็ดีแล้วมีปัญญามันโกรธมันสุขุพทุกข์มันนีจะได้ได้รู้จักเจตสิกมันมีนิพพานนิพพานก็มีตรงนั้นเจ้าที่มันร้อนเป็นหนาวเป็นโกรธเป็นนั่นมันมีนิพพานอยู่ที่นั่นมีปัญญาอยู่ที่นั่น ถ้าไม่จบไม่ผ่านตัวนี้องมันก็ไม่ไม่ได้ชีวิตลรชีวิตต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ชีวิตจริงๆมันจึงไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่เป็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าต่างนานาทัปทันตะเบเพกเวจกขุปปุทตปาติดวงตาเกิดกันแล้วจะเรล่า ยานเกิดขึ้นแล้วจะเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเราปัญญากเกิดขึ้นแล้วจะเรามันต่างเข่าละแต่ก่อนหลงเป็นหลงวันนี้หลงเป็นรูแต่ก่อนหลงไม่พอใจเฮยหลงมันเกิดสดชื่นขึ้นมาทุกข์มันเห็นขึ้นมามันต่างเข่านี่ว่าญาน ขนส่งหลงพ้นจากหลงถึงความไม่หลงมันพ้นเพราะมันมีเหตุถ้ามันเห็นก็มีเหตุทาไมพ้นถ้เห็นก็หลุดพ้นไม่ต้องปฏิเสธบางทีไม่ต้องมีคำถามให้อาการกระทำก็เดียวใช้ได้ไม่ต้องบาศัยคนอื่นช่วย ภาษาปรมัดภาษาส่วนตัวภาษาสมมติไปภาษาบัญญัติมีคงตอบให้ตอบมีคงตอบปีปรนนัยให้ขีดเอาขอตอบไปตอบถูกใปข้อแล้วก็ขีดเอาข้อทท่มันถูกง่าย ก้องหลงกับความรู้อะไรบันถูกขีดได้ไหมให้เพี้ยนเพิมทุกข์กับความไปทุกข์อะไรบันถูกขีดเอาได้ไห้นั่นแหละขีดลงไปแต่ไม่ใช่ขี ด, ขดเหมือนเราสมมติไปขี ด, ขดมันเป็นทานทําในใจให้เห็นต้อผ่าตูแล้วจกให้เป็นธรรม ไม่สุขเป็นธรรมทุกข์ไม่เป็นธรรมไม่ทุกข์เป็นธรรมมันเป็นการสัมผัสไปให้ขีดด้วยมือตามภาษาสมมุติพูดด้วยปากมาใช่ไม่มีคำถามฉันถูกไหมชัดตอบถูกไหมแม่คนอื่นจะว่าไม่ถูกแล้วก็ตอบว่าถูกไม่เปมนอื่นแน่นอนขอประกันเลยสุขเอาโกรธไม่เป็นธรรมว่าไม่โกรธเป็นธรรม เคตอบหลวงพ่อเทียนปฏิบัติธรรมใหม่ๆท่านมาถามเป็นอย่างไงไม่เป็นเลยไม่เป็นไรครับดีหล้งก็ผ่านไป ว, ว่าจะตอบจะให้หลวงพ่อเทียนถามไปมากๆ ก, กว่าน่าจะได้ตอบเอาได้หลวงพ่อเทียนถามจะต้องจะต้องตอบใหม่ไม่หลวงพ่อเทียนมาถามอีก เป็นอย่างไงปฏิบัติธ<ค>รมรมรผมรู้รู้อร่อยรู้รูปรู้นามคนไม่ ร, มรู้รู้จากรูปรู้จากตามคนบ้าครับแต่มือก่อนผมเป็นบ้า<ะ>เดี๋ยวนี้ผมไม่เป็นบ้าก็ม ไ, มาาไม่มีประโยชน์รู้จากรูปนามมันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากหลงพ่อ เนี่ยเราพูเทือนว่าไม่มีประโยชน์เราบอกว่ า, วามีประโยชน์ทุกันหมดไปอ่ะประโยชน์ก็ประโยชน์ตวน้อยเหมือนกบโคกหวัตะเจียกตะกายมาเจอน้ำในกลามาพราวมันถืว่ามันไม่ความสุขโลงแต่ที่ไหนน้ำกลามาพราวกับน้ำในเบึงในหนองมันจะมีมากกว่ากัน โคโคกเยเราเป็นกบโคก้าหยบปโความสุกที่เราไม่เคยพบเห็นความโกรธความรู้ความหลงหมดไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเบานี่ว่าหลวงพ่อเวบโคกอฮ้ยเสียต น้ำไหนเบึงไหนหนองไหน ม, มากกว่าอออาจจะใช่นามียมากกว่า น, นี้ผ่านก็เลยค่อยๆว่าสุขปลอบความเพียรต่อไปแต่ก่อนสุขเป็นสุขวันนี้เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขต่างเก่าแล้ววันออกจากที่เก้าไป ไม่จนแล้ววแต่จอจ น, น, น, นตัวสุขพอใจในความสุขเดินไปไหนนั่งอยู่ไหนเหมือนละองฝนผ่านใบหน้าซุ่มจืดเหมือนกับอมจิ้มตลอดเวลามันเนี่ยผ่านไปเห็นมันนี่คือ ไม่มีคําถามแต่ว่ามีคนมาคาดัคาดค้านหัวไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เชื่อไม่ต้องถามค่ะไม่ต้องถามใครเคาจบ ก, ก็ไม่ต้องไปขอค่ะถูกไหมว่าไม่ต้องถามค่ะผิษไหมไม่ต้องถามค่ะเราสัมผัสเองวิชากรรมฐานเป็นวิชาสัมผัส ไม่ใช่ไม่ชาเท่บัญญัติสัมผัสเป็นปรมัดบัญญัติเป็นสมมุติแต่ปรมัิอันเดียวกันสมมุติต่างกันไปบางุกบางคนก็บัญญัติเอาชื่อเอาพ้นเอาขอมขืนเอาขโมยเอา นั่นเป็นภาษาสมมุติแต่ความสุขมันไม่อะไรนี่แหละมิสุขอามิสุขสามมิสุขสุขอองอามิสมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงจึงไม่ความสุขอามิสุข สุขแบบเกาขี้กากได้เกาจะมีความสุขคนติดเล่ากินเล่าจะมีความสุขขี้กากกนสุบุรีหิวบุรีสุบุรีจึงสุขแบบเกาขี้กากเพราะได้สูบจะมีความสุขตั้งตาหูจูกดิ้นกายใจมาอามิตรสุขสามิตรจุกสุขเพราะต้องเองอะไรสุขในฉินในธรรม มันต่างกันอยู่นะฉกันหนึ่งุกหิ้สุกกอไก่เผาฉกข้อไข่สุกไม่เผสุกสงบนัดตะสันติพลังฉกขังฉกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันต่างกันสุกแบบสมมุติสุกกไก่ สุขแบบปรมาสุขขอไข่สุกเกาะขี้กกสุขแบบกอไก่สุขไม่ต้องเกาขี้กกรักษาหายแล้วไม่ต้องเกาสุขขอไข่อันหนึ่งเกาจะเป็ความสุขอันหนึ่งไม่ต้องเกาจะเรียกว่าสุขที่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียก เรามีอยู่ในชีวิตของมนุษย์นี่จุกไม่ต้องมีอะไรถ้าจ ะ, ะเหมือนกับสวนโบกนิพพานคือตายก่อนตายที่สวนโบกไม่มีอะไรไม่ต้องเกาอะไรไม่มีอะไรให้เกา่ามีจะใช่ไปเรื่อยๆคิดของเรา ในช่วงกำหนดกรรมาฐานเข้มท0บวันให้มีงานด้านเดียวอนอื่นแล้วแต่จะสมัครเล่นเล่นอะไรก็อย่าคิดว่าเป็นงานข้างยุ่งเหยิงจะให้มีค้างไม่มีอะไรเป็นอดีตไปแล้วเป็นอนาคตไปแล้วชีวิตจริงๆต้องเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันมาใช้งานข้างมีความรู้จึกตัวมีความรู้สึกตัวไปใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มีเฉพาะเรื่องนี้เราก็อย่าไปทาให้กันหลงให้ชวนเป็นเพื่อนกันอาใัยตัวเองเป็นหลักอย่าอาใช้คนอื่นอาใช้ตัวเองเป็นหลั ก, าาลกจะลิกไปคนเดียว อยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวมีสติคนเดียวหลงคนเดียวเราจะเป็นหลงเป็นลูกเปลีป่ยนคนเดียวเรียกว่ากายเวกกิตเวกอุปธิวิเวกจังกตกายสังกตกิจ จะอาดจากกิเลสได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับหมูก็เมืนเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวก็เหมืนอมนกขา อ, อยู่กับโปูนย่างนี้ก็ใครจะสมัครมาทําวัดเช้าทำวัดเย็ามาได้ถ้าใหม่มามันมีรสชาติและความเพียงก็ถามไปแต่ต้องกิน ต้องนอนจะอดลับอดนอนอย่าต้องไม่กินข้าวจะดูแลกันบ้างบางทีคนอื่นดูแลไม่ทั่วถึงเพื่อนกันเห็นกันทุกวันก็ดีถ้าไม่เห็นก็ต้องตามหาดูอาจารย์นั่นไปไหนเพื่อนเราไปไหนเคยบอกเพื่อน ทำไมปฏิบัติหลังโัเทยียนถ้าผมไม่มาฉันข้าวหนึ่งวันไม่ต้องตามสองวันไม่ต้องตามสองวันก็ไม่ต้องตามถ้าเกิดห้าวันแล้วตามไปบ้างอาจจะตายไปแล้วถ้าเห็นกินข้าวอยู่สองวันสามวันแสดงว่าไม่ตายฝากเพื่อนไว้ก็ได้ทำไมปฏิบัติทำไมมากินข้าวห้าวันให้ตามหาด้วย อาจเป็นบ้าไปไหนก็ไม่รู้ถ้าสามวั 3, 000, 4, 000นทีวันนี่ไม่เป็นไรอย่าตามหาบางทีไม่รสชาติาเกินน้ำลายแต่ังก็อิม่สมสใจ้ชีวิตแบบไม่ชิ้นเปลืองมีสติอนอนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวไปไหนคนเดียว เวลาแบบน้ามีบอ่อน้าบอ่อเดียวให้เหมือนทุกวันนี้มีบอ่อน้าบอ่อเดียวพระเนรสามสี่สบห้าสิบรูปก็บอ่อน้ำต้องไปตักออกกองลังกงลังคอ ง, ง, อ ง, ง, อ ง, งมีหลวงพ่อทำเป็นโมเล่หมูนมันลึกอันนี้ไหวไหวหมูนมันก็ดังกอกกกกกกเวล า, เ, าเวลากระถัง ไหลลงไปมันก็ก็ก็ก็ก็กก็ก็ดังค่อยๆไปฟังเสียงมเล่บ่อน้ำดังก็ก็หลบเข้าป่าก่อนว่าจะไปเห็นเพื่อนเดี๋ยวจะได้คุยกันกำลังสนุกกับกรรมฐานหลบเข้าป่าบ่เงียบจังบ่อน้ำเงียบก็รีบไปอาบอาบแล้วก็รีบกลับมาเห็นหน้ากันตั๊บยิ้มยิม ยี่งใช่กันเด็หน่อยไม่ต้องถามนะนะสมควรใช้เวลา